เราตั้งใจทุกคนกำหนดอไม่อยังอยู่ใกล้กันอย่าทำจิตเนี่เพ่งตัวคนน้นถึงตัวคนนี้แต่ค้าก็นั่งอยู่บนภูเขาอยู่ในป่าแห่งบนเรือแห่งนี้นั่งตัวที่เรานั่งโดยเฉพาะาบรบเนณนี้มีอะไรบ้างมี ก, กายกับจิดเพราะนั้นแหละมีกายกับจิด สองอย่างเท่านั้นรวมแล้วที่เรานั่งอยู่ปัจจุบนันนี้มีกายกับจิตโดยตรงก็มีกายกับจิตสองอย่างเท่านั้นตายคือสิ่งทั้งหมดที่เรานั่งอยู่ในกอนนี้เป็นกายจ ก็คือสิ่งที่นึกคิดดับรู้อารมณ์ในปัจจุบันนี้เดียวกับจุดหรือเรียกว่าน้ำหรืรูปท่านเรียกว่าน้มรูปน้ำหมายถึงสิ่งที่ว่าไม่เป็นรูปไม่มีรูปจะเป็นความนึกคิดอะไรก็ได้มีความรู้สึก Um, ทุกอย่าง um, เรียกว่าเป็นนามเช่นเวทนาสัญญาสังขารมิน ญ, ญานเวชนาก็คือห ม, มายความว่ามันไม่รับความสุขหรือความทุกข์นี่ก็ไม่มีตัวตนเป็นนามธรรมาเป็นนาอืม เรียกว่ารูปกบนามตาเห็นรูปเรียกว่ารูปความรู้สึกเป็นนามเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมก็เรียกว่ากายกับจิตเท่านี้ ทิทั้งหลายนี่มันเกิดจากนี่มันยุ่งหลายอย่างตามอาการของธรรมนั่นฉะนั้นเราต้องการความสงบเราจะให้รู้รูปตับนามยึม่งกายกับจิตเท่นี้ก็พอที่เรานั่งอยู่ปัจจุบันนี้มีกายกับจิต ใ, ใจอย่างนี้มีกายกับจิตแต่จิต ที่มีอยู่เดี๋ยนี้จิตที่ยังไม่ได้ฝึกยิดยังสกะปกจิตนี้ยังไม่สะอาดอไม่ใช่จิตเลยจำเป็นจะต้องฝึกหัดจิตอันนี้นางนั้น่ำเปิงให้สงบเป็นบางครั้งอย่างในวันนี้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 เดินมันก็เป็นสมาธิก็ได้บางคนก็เข้าใจว่าการนั่งนี่แหละเป็นสมาธิอืมไอ้ความจริงจริงการยืนการเดินการนั่งการนอนหลักปฏิบัติทั้งนั้นทาสมาธิให้เกิดขึ้นในทุกขณะสมาธิหมายตรงถ้าไปว่าไอ้ความตั้งใจมั่นอือความตั้งใจมั่น เป็นปกติไม่ลนเช่นวันนี้เรามาจากบ้านทุกคนมาถึงอ่าภูเขาท่าสนเทชนี่ทุกคนมาจากบ้านอืแต่ความเป็นจริงแล้วนั่นน่ะไอ้จิตของเราเนี่ยกับบ้านที่อยู่ของเรานั้นเนี่ยมันติดตามไปอยู่เสมอถึงแม้จะอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องไปจุดลงที่บ้านของเราเนอง อย่างนี้การทำสมาธิไม่ใช่ว่าการไปกัดขังตัวไว้บางคนก็เข้าใจว่าการทำสมาธมิฉันจะต้องหาความสงบจะไปนั่งไม่ให้มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยจะไปนั่งเงียบๆนั่งก็คนตายมไม่ใช่คนเต็ม คือถ้านทำสมาธินี่คือทำให้รู้ทำให้เกิดปัญญาทาไม่มีปัญญาเรียกว่าสมาธิปุสูต อ, อนตั้งใจมั่นมีอารมณ์อเนี่วอารมณ์อเนี่วคืออารมณ์อะไรอารมณ์ที่ถูกต้องนั่นแหละเรียก ว, ว่าอารมณ์อเนี่ยธรรมดาคนเราเป็ น, นั่งอยมางเงียบเฉยเฉยบางคนเป็นทุกข์หลายอื่โดยมากนักศึกษานักเรียน เคยเขามากราบธรมาว่าที่ฉันนั่งสมาธิมันไม่อยู่แย้มมันก็วิ่งไปนอนแย้มันก็วิ่งไปนี่ในรู้จะทําจำให้มันอยู่มันอยู่อยู่ไอ้ของนี่ของหยุดอยู่ไม่ได้อืมไอ้ที่มันวิ่งไปมามันแค่มันไม่วิ่งมันเกิดความรู้สึกคนในที่นี้ในใจมันวิ่งไปวิ่งมาบางคนต้องมาพ่อมันวิ่งไปฉันก็ไปดึงมันมา ดึงมาอยู่ที่นี่แก้วเดินไปทางนั้นอีกมัยดึงมันมาก็เลยนั่งไปดึงเยียงนั่นแหละจิตเนี่ยเข้าใจว่ามันวิ่งมันวิ่งจต่ความรู้สึกของเราตามความเป็นจริงนั้นอย่างสลาหลังนี้แม้มันใหญ่เหลือเกินมันก็ไม่ใหญ่หรอกที่ว่ามันใหญ่อมเป็นเพราะความรู้สึกของเราเแค่นั้นน่สลาเนี่ยมันไม่ใหญ่มันก็เท่านี้หล่ะแต่เรามาเห็นแม่สลาหลังนี้มันใหญ่เหลือเกิน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 เ็นยกตัวอย่างเช่นว่าวันนี้วันนี้เ น, นี่นะเราเดินทางมาจากไหนก็ไมารู้ปากกาที่เราซื้อมาตั้งห้าร้อยบาทหรือพันบาทเรารักมันอมพอเดินมาถึงที่นี่เราเอาปากกาบางเออไปวางที่หนึ่งใชอืหมขึมม้นเอาใส่ในกระเป๋านะ้าอีกาวาระหนึ่งเ็าไปใส่กระเป๋าหนังกระเป๋าข้างหลังช่ ไปเลยมาคลำดูกระเป๋าข้างหน้าไม่เห็นเลยโอ้ตกใจซะแล้วตกใจถ้าความมันไม่รู้ตามเป็นจริงมันก็รุ้บายอยู่นั่นแหละจะยืนจะเดินจะเหินไปมาไม่มสบายนึกว่านั่นนึกว่าปากกาเราหายแต่ของนั้นมันไม่หายหรอกมันอยู่กระเป๋าหลังสิดมันไม่หายแต่เรานึกว่ามันหายมางเดินก็ทุกข์ไปด้วยเพราะความรู้ผิดคิดผิด อี่อความคิดผิดรู้ผิดเช่นนี้มันเป็นทุกข์ทีนี้เราก็ตังบนเมื่อกังวลไปกังวลมาเนี่มันเสียดายมันเนี่ยปากกาปากเงี้ยน่ะเสียดายมันคืนอก็ไม่ใช่ไม่กี่วั น, นก็หายมีความตังบลอยู่อย่างนี้อีกในคณะหนึ่งนึกก็มาโอ้เราไปอาบาน้ำตรงนั้นเราจับมาใส่กระเป๋าหลังนี้ น, นี่พอนึกได้เช่นนี้ ยังไม่เห็นปากกาเลยดีใจซะแล้วนั่นใช่ไหมดีใจซะแล้วไม่กังวลในปากกานั้นออ ม, มันแน่ซะแล้วอืแล้วประเดินมาดูตามมาคลำดูเห็นเนี่กระเตาหนังอจริงเออนีมีอย่าง น, น, นี้มันโกหกเราทั้งนั้นแหละปา ก, กาไม่หายมันโกหกว่ามันหายแล้วก็ทุกข์เพราะเราไม่รู้ยิดตัวเอกังวลเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้น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 นี่นี่มันเป็นใช่อย่างนี้มันถูกหลอกลวงในตลาดเวลาอันเนี้อือย่างนั้นสถิดตรงต่ออินทรีย์นะฮะสงบที่เราทําความสงบด้วยสมาธินี้อืมันสงบจิตมันไม่ใช่สงบจิตไสงบจตเล็ไม่ใช่สงบจิตเล็ดมันนั่งทับมันไปมันสงบเฉยๆเหมันกัหินทับหญ้าพอญ้ามันมีเาหินมาทับมันก็ดับไป ข้อหินทับมันกีสามสี่ห้าวันหกเจ็ดวันเรามายกหินออกหญ้ามันก็เคยขึ้นอีกนี่แต่ว่านั้นหญ้ามันยังไม่ตายคือมันละครับมันสงบจิตไม่ใช่สงบจิตนี่เรื่องสมาธิจริงเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นการที่สงบนี้เราจะต้องทีเจรณนาสมาธิกอสงบแบบหนึ่งแบบหินทับหญ้า หลายวันไปยกขีนออกจากหญา้าหญ้าก็เกิดขึ้นอืมนี่สงบแจ่คาวอืสงบแจ่คาวสงบด้วยปัญญาคือไม่ ย, ยกขีนออกทับมันใยนั้นแหละหญ้ามันเกิดในได้นี่ได้ยว่าสงบทแท่สงบกิเลสแน่นอนนี่ก็เรียกว่าปัญญาตัวปัญญากับตัวสมาธินี้ เมื่อเราพูดแยกกันดอกก็แค่ค่าส่วนตัวไอ้ความเป็นจริงมันตัวเดียวกันนั่นเองแหละตัวปัญญานี่มันเป็นเครื่องเคลื่อนไหวของสมาธิแถวนั้นอืมมันออกจากจิตอันนี้เองแต่มันแยกกันออกไปเข้าใจว่าอย่างนั้นมันเป็นคนลักษณะเหมือนมะม่วงใบนี้ลูกมะม่วงใบนี้มันเล็กๆเล้กก็มันโตขึ้นไป แล้วก็มันสุกแล้วมันจะเน่าเนี่มะม่วงใบนี้ก็คือมะม่วงใบเดียวกันไม่คนละใบเนี่ยมันเด็กก็ใบนี้มันโตขึ้นมาก็ใบนี้มันสุกกวใบนี้แต่มันเปลี่ยนลักษณะแต่มันจึงนมะม่วงใบเดียวกันนิยมทั้งหลายจะขึ้นข่าเใจว่าการปฏิบัติธรรมะนั้นแหะถูกแล้วเราปฏิบัติธรรมอาจารอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิ อาการอย่างหนึ่งก็เรียกว่าปัญญาไอ้ความเป็นจริงศิลสมาธิปัญญาเนี่ยคือของอันเดียวกันไม่แตกคนหนึ่งอย่างเหมือนมะ ม, ม, ม่วงใบเดียวกันผผลมันเล็กก็ใบนั่นแหละมันโตก็ใบนั่นแหละมันสุกก็ใบนั่นแหละใบเดียวนั่นนี่ยแต่ละมันเปลี่ยนอาการเท่านั้นเราก็วิ่งตามมันไปเรื่อยรื่งยเื่งยเรื่อยไอ้ความเป็นจริงให้กับกามปฏิบัติที่อะไรก็ชั่งมันต่ ให้เริ่มออกจากจิตอืจิตให้เริ่มจากจิตนะรู้จักจิตของเราไหมอืมจิตตมันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงอืแต่คงงงมุดจุกคนละงงทุกคนอืจิตอยู่ตรงไหนเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้เลยนี่ไม่รู้นะไม่ไม่รู้จักมไม่รู้อืม รู้จากไปเราอยากจะไปโน้นอยากจะไปนี่มันเป็นฉุกหรือมันเป็นชุ ด, ชดไอ้ธุรจิจจริงๆนี่มันก็รู้มันไม่ได้จิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรมันจะคืออะไรจิต้วาไปสมมุติคน ม, มันเป็นจิตไอ้สิ่งที่มันนับอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ชั่วทํำลายสิ่งที่รับอือเหมือนใจใจของบ้าน ใครรับแขกก็เจ้าของบ้านรับแขกอืแขกจะมารับเจ้าของบ้านไม่ได้แล้วเจ้าของบ้านต้องอยู่บ้านแขกมาหาเจ้าของบ้านต้องรับที่ใครรับอารมณ์อยู่กับเรานี่ใครเป็นคนรับอารมณ์อืใครรับอารมณ์ใครปล่อยอารมณ์ใครรับอารมณ์ใครรู้เรื่องอืตรงนั้นแน่ถิ่นหมายความถึงว่าจิตใจ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 นี่ใจไม้มมันเป็นอย่างนี้หละตัวนี้แหละตัวนี้อืมที่เราเรียกว่าจิตจิตอะไรต่างนี้เนี่ยตัวนี้แหละอย่าไปดูมันไกลเลยบางตรงต้องคิดอะไรเป็นจิตอะไรเป็นส็รพัดอย่างอถูถ่ายกันไปกันมาจนเป็นบ้าบา้บาบอไม่รู้เรื่องเราจะคิดมันไกลดีบอกว่าตัวเรามีอะไรบ้างมีรูป กับนแล้วมีกายกับจิตทั้งทัูงท้พอละอืมเช่นว่าเราจะถามปัญหาว่าพระพุทธเจ้าของเรานั่นนะรู้แจ้งแทงตลอดทั้งนั้นอืมอืมรู้แจ้งแทงตลอดเราเลยยินเข้าหูเราล้วบบอืเก่งทันรู้ไปทุกอย่างทุกสิ่งเยแล้วลก็ปฏิบัติธรรมราลก็ถามนันกั็นไงอืมตัวไม้ตัวนี้มันมี มันมีกีรลากต้องตอบว่ามันมีลากใหญ่ลากเล็กลากเล็กถอยว่าหนึ่งกีรากคนเป็นบ้าเห็นไหมอือตอบทั้งลากเล็กๆลากถอยมันมีกี่ลากลากใหญ่มันมีกีรากลากเล็กมันมีกีรลากทำไมถึงถามอย่างนั้นเพราะพะุทธเจ้าสรู้แจ้งแทงตลอด อมต้องรูดหมดทางรากฝอยลเลยมันใครจะเป็นหน้าไปนับอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็พุทธเจ้าตอนจะโงอย่างนั้นเลยป่ามันอยู่มันมีรากเล็กรากใหญ่ก็ต้พอกันนะมั้งเืออย่างเราจะข้ามข้ามป่าไปในใ น, ในป่านี้นะ่ะเราจะต้องตั ด, ตดตไปไหมทุกต้นไปจริงไปกันเลยถอนถมันหมดหรือไปยื่นไปยังไงไหมแบกเฉพาะทางเราไป ไ, ไ, ไ, ปได้ก็อพอแล้วจะไปตัดทางมันทําไม ต้นไม้ต้นนี้ยรากค้อยมันกีนรากกระเจงกระเร็งมันเป็นรากแต่พอละมันอาศัยรากเล็กรากใหญ่อยู่เท่านั้นเนี่ยเท่านี้ก็พ อ, อมันอือเท่านี้ก็พอพระพุทธเจ้าองจารย์เท่านี้ก็พอแล้วอืมท่านให้ให้ไปนับรากข้อยต้นไม้เนะเสียเวลาจะนับมันไปทำไมมันอยู่พอาะรากมันเท่านี้ก็พอแล้วอืออย่างนี้บางคนไม่พอใจไม่ได้แล้วแต่พระพุทธเจ้าตระหทุกอย่างดูหมดทุกอย่าง ต้องไปนับหมดทั้งลากคอยหนึงก็เป็นบ้าเท่านั้นอืยนี่อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมนี้จะเรียกว่าสมาธิรู้ปัถนากรช่างเราคงเรียกว่าปฏิบัติธรรมะที่กับพอ่อแต่ก็ดัานั้นจากจิตของเราขึ้นมาจิตคืออะไรคือที่รับผู้ที่รับอารมณ์นั่นแหละ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 หนึ่งกลมด้่ยไม่เป็นสี่เหลี่ยมหนึ่งมันชั้นมันยาวขนาดไหนรู้ไหมนี่นี่มันเป็นนามธรรมมันเทียบไม่ได้ละแต่เรารู้ว่ามันมีอันนี้มันเป็นนามฉะนั้นทางรูปแลบนามนี่มันไปด้วยกันอาศัยซึ่งกันและกันไปทนาเอาน้ำพิจารณารูปเอาใจพิจารณากายอย่างไรรูปประธรรมนามประธรรม สองอย่างท่าเนี่ยมี่ฉะนั้นตอนที่ให้เริมจากจิตงสง่ายความจิตให้สงบทำ ม, มันรู้อืมจิตนี้มันรู้อยู่มันก็สงบนะบางคนก็มันมันรู้ไม่เอาให้มันสงบจนมันไม่มีอะไรไม่รู้เรื่องจะทาอะไรมาถ้ามันขาดคนคนนี้เราจะไปเอาอะไรมอาศัยอะไรใคร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 เอาถูกอีกมันก็ผิดอยู่ขนาด น, นี้มันถูกเพื่อผิดนี่ล้วก็แสดงหาความผิดคนถูกอืหรือแสดงเอาบุญก็แสดงไปรู้แต่บุญแต่บาปเรียนกันไปรู้บุที่ตรงที่ว่าไม่มีบาปมีบุญนั่นเราไ ม, ม่เรียนกันไม่รู้จัก อาจต่เรื่องมันสั้นมันยาวเรื่องไม่สั้นไม่ยาวนั้นเราไม่ศึกษากันเรียนจะเรื่องดีชั่วฉันปฏิบัติจะเอาดีชั่วฉันจะไม่เอาอจเอจ้าเจ้าดีชั่วไม่เอาเนี่มัน ม, มีชั่วมันก็ไม่มีดีกันนั่นแหล ะ, จะเจ้าไงมีดเล่ยนนี้บางอยู่เนี่ยมันมีทางคมมันมันมีทางสันมันอือน่ะ มันมีทั้งด้ามมันทุกอย่างแล้วจะหยับหยับยกมีดเล่มนี้ขึ้นมาจะเอาจะคมมันขึ้นไดไหมจะจับมีดเล่มนี้ขึ้นเอาจะสันมันไดไหมเอาจะด้ามมันไดไหมด้ามมันก็ด้ามมีดสันมันก็สันของมีดคมก็คมของมีดเมื่อเราจับมีดเล่มนี้ขึ้นมันก็เอาด้ามมันขึ้นมาด้วยเอาสันมันขึ้นมาเอาคมขึ้นมาด้วยแล้วจะแดงก็จะคมมันได้มั้งอย่างนี้เป็นตัวอย่างอย่างนี้อื เราจะไปแยกงกันแต่สิ่งที่มันดีชั่วกิจไปด้วยเนีพราะเราหาเอาสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันชั่วเราจะทิ้งมันเราไม่ได้ศึกษ า, า่าไอสิ่งที่ไปดีไ่ชั่วเราไม่ศึกษามัอมนอยู่ตรงนั้น อ, อย่างนั้นมันก็ไม่จบอเอาดีไปชั่วกว็าตาม มันตามกันหนอยู่อย่างนี้ถ้าเราสุขทุกข์ก็ตามเราไปมันติดต่อกันอยู่ฉะนั้นพวกเราจึงศึกษาธรรมะกันว่าเอาจะดีชั่วฉันไม่เอาอันนี้มันเป็นธรรมของเด็กธรรมเด็กมันเล่นไปได้อยูตัวนี้มันได้ แต่าเอาดีไปชั่วมันตามเนะี่ยมอื ม, อมไปถึงตายทางมันลกเงินเดือนตรงนี้หรือง่ายง่ายง่ายยมมีลูกมาจะให้จะให้เอารักนนะมันเกลียดไม่เอามาันมเงื่อ น, นไขก็มีลู ก, กนนะมันทั้งสองอย่างนี้เอารักเกลียดมันก็ยิ่งตา ม, ม, มนี่ ฉะนั้นเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมะให้มีปัญญาอือให้มีปัญญามันตามกันมาอย่างนั้นอืมเราไปเรียนดีเรียนชั่วเทั้งนั้นดีดีดดไงชั่วอย่างนียน้มันละเอียดมากสุดๆจ้ะเจนรู้จักดีจักชั่วอืมเมื่อรู้จักดีจักชั่ ว, อว เ, เอาอะไรจากให้เอาเอาอะไรเอาดีชั่วฉันไม่เอา ใช่ไหมเอาดีชั่วก็วิ่งตามเรื่องจริงที่ว่าไม่ดีไม่ชั่วเราไม่ได้เรียนกั น, น, นเราจะเรียนมันรู้จักดีชั่วเดี๋ยวฉันจะเอาดีชั่วฉันจะทิ้งเรื่องที่ไห้มันรู้ว่าไม่ดีไม่ชั่วนี่ไม่เคยได้เรียนเรื่องมันจะฉุดจบมันไม่ไเรีย น, นแต่ฉันก็ต่างเจน น, นั้นฉันก็คุ้มใจในนี้นน ฉันจะไม่เป็นอะไรเลยตัวฉันก็มีฉันเนี่ยไม่เป็นไ ม, ไ, มไม่เคยเดืนนเอนเลมนันก็ไปดูไปเอาดีอืมพอได้ดีดีดี ด, ดีเหือนดีไม่รู้เรื่องไปเมาดีอีกทีหนึ่ดีเกินไปก็ไม่ดีอีกแล้วชั่วอีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้แหละไม่จะไปยังไงเลยนี่ยนี่คือเรื่องตันเด็ที่สงบสง บ, บนี่เพ่อพักผ่อนสงบเพื่อให้มันสงบให้รู้จักคู่ที่รับอารมณ์ ในตัวเป็นคำว่าคืออะไรอย่างนั้น ต, ตั้งใจตามมันป็นจิตขึ้นไปตามผู้รู้ผู้จิตนี้ให้จุดนี้ฝึกจิตอันนี้ให้เป็นผู้บริสุทธิ์อืบริสุทธิ์แค่ไหนบริสุทธิ์แค่ดีเอาให้ดีมีก็ไม่ได้บริสุทธิ์จริงๆมันจะเหมือดีเนื้อเชื่อมสุนปอีกมันเป็เครื่อบริสุทธิ์เหมื้อบริสุทธิ์กนะุนปอีย์นั้น หมดมัน่งจะหมดนี่ฉะนั้นที่เราปฏิบัตินั่งสมาธิเนี่ยสงบไปชักวคราวสงบไปชักคราวเมื่อมันสงบแล้วมันก็มีเรื่องถ้ามีเรื่องมันก็มีผู้รู้เรื่องอ ม, มีผู้สืบคดีไต่ตามติดต่อตีพากิจาร์เมื่อไปสงบเฉยๆนมมีอะไรหนอกย่สงบอยู่ทุกท่า บางทีท่านไปโคนคนที่ขังตัวอืมขังตัวหลายแต่เห็นเนี่ยความสงบนั่นแหละคือการปฏิบัติที่แน่นอนสงบไม่ใช่สงบมือจิตไปสงบอย่างนั้นเมืันสงบจากสุขหรือทุกแต่ก่อนฉันจะเอาจะเอาสุขทุกฉันไม่เอาี่สง บ, บแลยเพราะฉันตามไปตามไปตามไปโอ้อืเอาสุขอย่างเดียวก็ไม่สบายอยู่แล้ว มันติดตามกันไปมาจนทำว่ามันไม่มีสุขมีทุกข์นะในใจของเรานะั่นนั่นแหละมันสมุดตรงนี้วิชานี่เราไม่เปยเปลี่ยนกันไม่เคยดูเรื่องไม่เคยดูเรื่องเอาใจถูกผิดไม่เอาไม่มีผิดนี่ถูกกันไม่เอาไม่รู้ว่าจะเรียนเราทาไมเรียนมันรู้ผิดรู้ถูกจะเอาถูกผิดไม่เอาก็ตามกัน็อย่างไงมนนันมีดเล่นนี่แหละ ฉันจะยกแต่คมมันขึ้นมาสันมันกบขึ้นมาด้วยมันติดกันอย่างนี่ให้เราคิดอย่างนี้มันมีเหตุมันมีปัจจัยอยู่มันก็เกิดผลดีก็นอีกไม่จบการฝูกจิตของเราให้ถูกทางให้มันแก่ใสขึ้นมาเอให้มันเกิดปัญญาอยาไปเข้าใจไานั่งให้มันเงียบเฉยๆมันหิ้มทำยากเมาบางคนก็เมา ยืสมาธินั g, ่งสมาธิเดินสมาธินอนสมาธิบางคนก็ขอจารว่าสมาธิคือการนั่งมันเป็นชื่อมันเป็นช่วถ้ามันเป็นสมาธินอนมันก็เป็นสมาธิมันคือการปฏิบัติเดินก็เป็นสมาธินอนก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นสมาธิสมาธิกาบเดินการนอนการนั่งมันคนในอย่างกัน นอนเป็นสมาธิก็ได้เดินมันเป็นสมาธิอยู่ก็ได้มันก็ไม่รื่นบางคนก็เห็นว่าสมาธิมีแต่นั่งอย่างเดียวบางคนก็บน่นว่าฉันนั่งไม่ได้ของลำคานมนั่งแมันคิดตรงโน้มันคิดตร ง, งนี้มันคิดทุกว่านถึงช่องฉันทําไม่ได้แล้วมันบาปหลายให้มันหมดกรรมซะก่อนจริงๆะมานั่งใหม่ไปไปมันหมดกรรมดูลองๆดูดิคิดไปอย่าง น, านั้นทําไ้จิดอย่าง น, านั้น นี่แหละเรากําลังศึกษาอยู่เรานั่งคุกไปเรียบเอาไปนน่นแล้วนี่ตามไปอีกนี่สำนโติเอา้าเรียไปนน่นอีู่แล้วนี่แหละตัวศึกษานั้นไอพวกเรามันเกโรงเรียนนี่นม่ไม่อยากเรียนหนังสือนี่เหมือนเหมือนนักเรียนเนี่ยมันเกเกโรงเรียนไม่จะไปเรียนหนังสือคือมันไม่ชงบเลยไม่อยากนั่งจังนที่เอาลงลําคาญนี่แหละตัวศึกษาแหลอย่างงั้นท่านเ่ยเป็นนักเรียนที่เก ไม่อยากเรียนหนังสือืไม่อยากเห็นมันสุขไม่อยากเห็นมันทุกข์ไม่อยากเห็นมันเปลี่ยนแปลงมันจะรู้อะไรหนึมันจะรู้ว่ามันคิดว่าอะไรมั้งมันต้องดูการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อืเมื่อเรารู้จักมันเออจิตใจมันเป็นอย่างนี้นะเ่ี๋ยมันนึกถึงโน้นเดีมันึกถึงนี้นึกถึงโน้นเดีวมันึกถึงนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมันให้เรารู้มันใช่การนึกอย่างนั้นเรารู้มันจะมันนึกดีนึกชั่วนึกผิดนึกถูกก็รู้มันดิไม่จิดมันเป็นอย่างนี้ ถ้ารารู้เรื่องของมันถึงว่านั่งเฉยๆ ม, มันคิดทั้งโน่นทั้งนี้มันก็ยังเป็นสมาธิอยู่ถ้าเรารู้มันไม่ลังคาบไม่ลังค า, งคายกตัวอย่างเช่นสมมติเถอะว่าบ้านโยมก็มีดิอีตัวหนึ่งวัดอาจามา ก, ก็วมีดีอตัวหนึ่งเหมือนกันถ้าโยม อ, อยู่บ้านโยมเรืเร่งองดีอีกตัวหนึ่งเลี่ยงนะมันอยู่นิ่งหนอก เนี่ยมันจับโน้นเนี่ยมันายนี่มั น, นาพัอย่างนี้ม่เป็นยงไถ้ายมมาถึงบ้านอัจตริตรกกัจฉริยมีดีตัวนึงเหมือนกันดิงอาจมา ก, ก็ม่ีเหมือนกันเน่ยจับโน้นใบนี้โยมก็ไม่ลคาดใช่ไหมทไมไม่ลำคาดเพราะโยมเคยมีลิงมาแล้วเคยดูจับลิงแล้วยู้านฉันก็เหมือนกันตรงตัวนี้ยูวัตห ง, งพ่อนี่ยเหมือนยูวัอยูบ้านของผมนั่นแหละ มันดีงตัวเดียวกันยมรู้จักดิงตัวเดียวเท่านี้ยอมจะไปกี่จังบาทยงไปเห็นลิงตัวเดียวนี่ไม่ลําพานเห็นไหมนี่คือคนรู้จักดิงถ้ารู้จักดิงก็ไม่เป็นดิงจริงหรอกเนีถ้าเราไม่รู้จักดิงเห็นดิงก็เป็นดิงเห็นไหมเป็นดิงไปทั่วโน่นจาดีงลำพานใจเม่พอใจลิงตัวนี้เนาะเนี่ยนี้คือคนไม่รู้จักดิง คนรู้จากลิงหเห็นดิงอยู่บ้านแล้วกันออตัวเดียวกันอยู่บ้านทำใจเสียแต่เหมือนกันอย่างนี้นั่นจะราคาญอะไรเพราะเห็นว่าลิงมันเป็นอย่างนั้นพก็พอสงบแล้วสงบแล้วใช่หรือสงบแล้ ว, ลวทางลิงมันโดดหน้าโดดดังอยู่เป็นต้นโยมก็สบายใจไม่ราคาญตําลิงเพราะอะไรเพราะโยมรู้จากลิงโดยโยมจึงไม่เป็นลิง ถ้ายมไม่รู้จะลิยงยงอมเป็นำคาญโยมรำคาญยงกมเป็นตินเข้าใจไหมนี่นี่หละเรื่องมันโศกอย่างนี้อารมณ์ละรู้อารมณ์ติเรารู้อารมณ์ติดบางทีเห็นอารมณ์มาบางทีมันชอบบางทีมันไม่ชอบอย่างนี้ก็ช่างมันแต่อะไรมันเรื่องของมันอย่างนี้อื่แต่เป็นอย่างนี้ผมมันลิงอี่แหละตัวไหนเขดิงตัวเดียวันเรารู้อารมณ์อนีอาการมันเป็นอย่างนี้ บางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบมันเป็นอย่างนี้เรื่องอารมณ์มันเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้จักอารมณ์รู้จักอารมณ์แล้วก็ปล่อยนะเลยอารมณ์นี้มันก็ไม่แน่นอนต้องมันเป็นอณิจังตุกข์ขังในตาดังนั้นแหละลำคาญเป็นบึ้นมันต่างกันเราดูมันตปเราก็อย่างนั้นแหละจะนั่งที่ไหนาตาโหจะโมกี้นตายใจเมือารมณ์เกิดขึ้นมาพุ่งมันก็อย่างนั้นแตมือกันเรามีมาเห็นลิง ยิงตัวนี้ก็ตัวอยู่บ้านเราของมันอย่างงั้นเลยเมื่อกันอย่างนั้นเลยสงบขนาดนียอารมณ์มีขึ้นมาเรารู้จักอารมณ์จีเราจะ them, วิ่งตามอารมณ์ทำไมเรารู้จักอารมณ์อารมณ์มันเป็นของไม่แน่นอนเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันเป็นนี่เดี๋ยวมันเป็นนั้นอบางทีก็อยู่อย่างเก่ามันอยู่ตลอดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้โยมทุกวันนี้โยมก็อยู่ตลอดการเปลี่ยนแปลงมีนหายใจอย่างนี้บางที ลมมันออกแมก่กรลมมันเข้ามานี่มันเปลี่ยนอยู่เนี่ยโยมอยู่ในเนี่ยอยู่ในความเปลี่ยนแปล ง, งยองโยมสืร่อมเข้าอย่างเดียวดีไม่ให้ออกอ่ะอยู่ได้กี่นาทีไหมไม่ให้ออกอย่างเดียวให้มันเข้าอีกนี่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ได้ไห ม, มนี่มันอยู่ไม่ได้จำเป็นต้องหายใจออกหายใจเข้าอยู่อย่างนี้ช่วยดูในทุนบัตทันสังเกตเนี่ย สะอาดลมประจานลมใต้หรือเปล่าเนี่ไม่ได้ถึงหรอกนี่นายเข้าใจอย่างนี้อารมณ์กูบรนทันมันจะตมม้องมีเนี่ยถ้าไม่มีอารมณ์ไม่มีปัญญาออถ้ามันไม่มีผิดมันก็ไม่มีถูกถูกก่อนทีน่มองเห็นความผิดหรือผิดก่อนมันที่มีจะถูกเป็นเรื่องธรรมดามันมีปัญญาอารมณ์เนี่ยมันมากที่สุดยิง่งดีถ้าเป็นนักศึกษาเนาะนักเรียนนะ อือันนี้เราเห็นอารมณ์ที่ไม่ชอบเลยไม่อยากจะทําไม่อยากจะดูมันเบื่อมันอะไรมันนี่เขาเรียกว่าดวเด็กมันเพลิงเรียนมันไม่อยากรับรู้ครูสอ น, นอารมณ์นี่แมันสอนเราไม่ใช่อืน่นเนาะนี่เมื่อเรารู้อารมณ์อย่างนี้คือเราปฏิบัติธรรมะทจังหกอารมณ์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นเรื่องของมันอย่างเนี่ยเหมือนโยมเห็นลิงเนี่ยลิงอยว่บ้านโยม ไม่ลำคาญไม่เห็นดิงยู่นี่ก็ไม่ลำคาญเหมือนกันเพราะยมรู้เรื่องของดิงแล้วเห็นไหมสบายนั่นมี่ปฏิบัติธรรมะหรือเมือนกั น, กนธรรมะเป็นอย่างนี้ธรรมะนี่ไม่ใช่บาเยือยลมใจ น, นะมันอยู่จิตจิตกับเรานี่แหละเรื่องของเรานี่เองเรื่องธรรมะอืมไม่ใช่เรื่องเทพบุตรเทพดานหรอกเรื่องของเราทำเรื่องเราทำอยู่เดี๋ยวนี้แหละเรื่องของเรานี่คือเรื่องธรรมะ ไม่ใช่เรื่องอื่นอยู่หนังสือก็ไปเปิดดูหนังสือหนังสือก็ไปเขียนใส่เอาเรื่องของเราไปเขียนใส่ตรงนั้นน่ยมันไม่รู้เรื่องก็เป็นไปอย่างนั้นเรื่องธรรมะก็คือเรื่องของเรา เ, เป็นธรรมะกับพิจณาตัวเราเนีบานน่บางทีมันมีความสุขบางทีมันมีความทุกข์บางทีสบายบางทีำํำคาญบางทีรักคนนู้นบางทีสเสียดคนนี้นี่คือธรรมะใช่ไหม ต้องอ่านอารมณ์มันนี่ให้รู้จักธรรมะรู้จักอารมณ์นี้ถึงจะปล่อยอารมณ์ได้เห็นมาอารมณ์มันไม่แน่นอนแล้วอย่างนี้เราก็สบาย <c oughs> เมื่อเกิดลุกบุกขึ้นมาปุ๊บอันนี้มันไม่แน่แล้วเนไงต่อไปอารมณ์มันเปลี่ยนลุกขว้นนี่ขึ้นมาปุกอ๊บอันนี้มันทำไม่แน่สบายงหมือนโยมเห็นว <c oughs> <c oughs> ิอยญญาณโยมก็มาเห็นวิญอยู่วบัดทำเป็นติดกัตัวเดียวกันโยมก็สบายไม่ได้สงสัยแล้ว ถ้ารู้จักอารมณ์เหล่านั้นแหละคือรู้จักธรรมะปล่อยอารมณ์เห็นอารมณ์ไม่แน่นอนทุกอย่างอยงเคยดีใจมีไหมเคยเสียใจมีมไหมนี่ตอบแทนกันได้แน่ไหมไม่แน่ยัไม่แน่นอนอย่างนี้เราจึงรู้สิ่งที่ว่าอันที่เดียวที่มันไม่แน่นี่แหละนี่คือพระพุทธเจ้าอืพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะ ธรรมะก็คือสิ่งที่ว่ามันไม่แน่ใครเห็นสิ่งที่ว่าไม่แน่คนพวกนั้นเห็นมันแน่นอนบ้านมันเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเลยทําไมมันอยู่ข้งมันอย่างนั้นธรรมะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าคือธรรมะธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าใครเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะนี่ถ้ายอมรู้จากอนิจจังมันไม่แน่นอนเท่านั้นแหละ โยมก็จะปล่อยวางเองไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันอันนี้โยมไปแก้วนี่ชั้นไม่แตกแก้วไม่แตกแล้วเนี่ยรักษาไปเนี่ยอย่ามาทำชั้นแก้วชั้นแตกนะไม่ได้นะนี่โยมจะไปห้ามของมันแตกนี่จะห้ามได้ไหมนี่ไม่แตกเวลานี้ต่อไปมันจะแตกเราไม่ทำแตกคนอื่นจะทำแตกคนอื่นไม่ทำแตกใจไมันจะทำแตกแก้วใบนี้ ถ้าพระจะองค์ท่านยอมรับใช่แก้วใบนี้อยู่ดีๆท่านมองอหินระลุกขไปแก้วใบ น, น, น, น, น, นี้มันแตกแล้วเห็นแก้วไม่แตกนี่ท่านในรู้ว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วจับทุกทีท่านก็บอกแก้วนี้มันแตกแล้วดื่มน้ำเข้ไประวางไว้ท่านก็บอกแก้วมันแตกแล้วนะนีความเข้าใจาของท่านได้อย่างนั้นเห็นแก้วที่แตกอยู่ในแก้วใบมันไม่แตก อืทำไมท่านจิงรู้จักว่าแก้วใบนี้มันแตกเพราะมันไม่แตกมันจึงรู้จักกระแก้วแตกพอเมื่อไรมันหมุดแก้วไม่ดีเมื่อไรมันจะแตกก่อนมันก็แตกเทนั้นท่านทาความรู้สึกอย่างนี้แล้ก็ใช่แก้วใบนี้ไปอีกวันหนึ่งมันจุดรูแตกเพราะสบายเลยทําไมสบายเพราะฉันเห็นว่ามันแตกก่อนแตกแล้วนี่เห็นไหมอืม ทายโวบีแต่หัวหน้าศาลดิแม่ฉันแพงมันนะเกินยังมาทำไมมันแตกกันนี้นน่ๆกี่ปันหนึ่งชุนนักคนมาทำแตกตัวชุนน่กไมหาตัวดีกันเลยนี่เอาดิลูกมันมาเพียดมันเป็นทุกสิงทุกอย่างเองมันมาทํำไมแตกพ่อเราไปกันทํานบตไว้ไม่ให้นหนามันไหลออกไปกันไม่กี่เดียวนะไม่มีทางระบายน้ําสายนี่มันก็แตกตรงนั้นเนี่ยทําไมต้องทําสายทําระบายไว้ เราแนาแค่นี้กระบายทางนี้มึมาเต็มที่ให้มันออกไปชนี้เห็นไหมต้องมีทางระบายี่อันนี้ตันหินอันนี้จังมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นท่านก็เห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้โยมจะสงบที่คือปฏิบัติธรรมะโดยส่วนรวมเป็นอย่างนี้ฉะนั้นธรรมมาถือว่าการยืนเดินนั่งนอนธรรมาปฏิบัติไปเรื่อยๆมีสติคุ้มคลองอยู่เสมอเลย นี่คือสมาธิคือสมาธิปัญญาก็คือสมาธิสมาธิก็คือปัญญาพูดได้มันอันเดียวกันมันเหมือนกันแต่มันไปแยกโดยลักษณะเท่านั้นมันก็อันเดียวกันนี่ตกตรงก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นอันนี้จังแปลว่ามันไม่แน่เราเห็นชัดก็ไปว่ามันไม่แน่นั่นน่ะคือเราเห็นมัมันแน่ แน่อะไรแน่มันจะเป็นไปอย่างนี้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นนี่เห็นไหมเท่ า, ทานี้เห็นเนี่ยรู้จักพระพุทธจเจ้าเลยกราบพระพุทธจเจ้าแล้วได้กราบทธรรมะทันแล้วเอาหลักนี้ไปทีนาถ้าโยไม่ทิ้งพระพุทธเจ้ายโยไม่ทุกข์หรอกที่โยไม่ทุกถ้าทิ้งพระพุทธเจาา้ามันเลยทุกข์เลยทิ้งอ น, นิจจังถุกและอนิจตามอะไรทุกข์ให้เข้าใจอย่างนี้ ขนาดนี้จะมาว่าการปฏิบัตินี้มันก็พอทุกไม่เกิดนี่เกิดรับมันได้ไ ง, ไง่ายๆเด็วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทุกไม่เกิดต่อไปมันจบตรงนั้นเนี่ยทุกไม่เกิดทุกไม่เกิดเพราะอะไรเพราะอะไรไม่มีเพราะตระหักเหตุคือตัวสมุทัยเนี่ยนี่ตัวสมุ ท, ทยัยมันจะแตกโยน นี่มันแตกทุกข์เกิดมาเลยเห็นไหมเรารู้แล้วว่าอันนี้มันเป็นเหตุทุกข์เกิดต้องพิจารณาว่าอันนี้มันมีแน่หรอนี่มันมีแน่เต็มตัวสมุทัยมือมันแตกทุกข์เมื่ไรเป็นต้นเหตุที่ใหมทําลายเหตุจ้ะทำมันเกิดเพราะเหตุดับเมื่อก็ดับเพราะเหตุอันนี้ถ้ามันจะทุกข์ก็เพราะแก้วไว้นี้มันแตกอือแล้วก็โมโหจนมาเป็นทุกข์ เราจะบอกไว้แก้ไว้นี้มันแตกแห้วสมุชัยมันก็ดับไม่มีเมื่อมันแตกก่ในทุกนาน้เราเห็นมันแตกก่อนแล้วนี่มันแตกคีหลังมันก็เลยไม่แตกมันไม่มีทุกถ้าไม่มีทุกมันก็เป็นมีโรหลักทุกพอดับเถียรแทงทุกนั้นเรื่องเท่านี้นายยมไม่มากรนะเรื่องเท่านี้ได้พิจารณาไปเถอแต่มาเรื่องส่วนสามราะมันก็คือตายวายาใจใจ อยา่าออกจากนี่ไปเลยพยายามอยู่ตรงนี้ภาวนาต่อไปนี่ ม, มันอยู่ตรงนี้เริ่มจากจิตใจของเรานี่ไปคูดไงได่ายๆทุกๆคนให้มีศีลห้าเป็นพื้นนี่ไม่ต้องะเดียนประไตรปิรกหรอกโยมศีนหา้ามีใยกับใจ น่ดูสินา่าให้พยายามส ม, ม่ำเสมอราังไว้ที่เรียกมันพลาดไปเดี๋ ย, ยุดกลับมาแรักษาสติาบางครั้งมันง่ายเลมันพลาดไปอลูกกลับมาอย่างนี้เนี่ยทุกครัง้งทุกคราวทุกครั้งทุกคราวมันก็ส ต, แนนนนนนติแล้วมันก็ที่เข้าเหมือนน้ำเหมือนน้ำเหมือนน้ำในกาห้ามเรา อปล่อยน้ํำมันไหลลงหยดต่มต่มต่มนี่สายน้ํามันขาดแล้วก็เล่งตานี่ขึ้นให้มากน้ามันก็เลยต่อมต่อมต๋มต่อมต๋มต่อมเล่งขึ้นไปอีกหายต่มเลยเป็นสายติดกันเลยเป็นสายน้ําเลยหยดแท่งน้าไม่มีไปไหนเนะมันไปไปไหนเนาะมันกลายเป็นสายน้ํา มันถีจนเกินถีมันได้ติดกันจ้ะเห็นไหมมันได้เป็นสายน้ําอย่างนี้ธรรมะมีเรื่องเดียวอย่างนี้เรื่องอุปมาให้ฟังเพราะมันมันมีอะไรธรรมะมันเป็นสีกลมมันเป็นเหลี่ยมมันชั้นมันไม่ไม่ไม่รู้จักนอกจากเปรียบเทียบอย่างนี้จะเข้าใจอันนี้ก็เข้าใจธรรมะอืมมันเป็นใจอย่างนั้น อยากเข้าใจว่าธรรมะมันอยู่ห่างจากเรามอยู่กับเราเป็นเรื่องของเราเนะนี่ยนะธรรมะลองดูืเรียกกัดีใจเรกกับเสียใจบ้างเรียกกับพอใจบ้างเรีกกไม่พอใจบ้างเรียกกับโกรธคนนั้นบ้าเรียกกับเพียรคนนี้ธรรมะท่างนั้นนายงยมให้รู้เจ้าของนี้ว่าอะไรมันกระยาดให้ทุกข์เกิดนั่นแหละทำแต่มันทุกข์นั่นและแก้ไขใหม่ แก้ไขใหม่มันยังเห็นชัดถ้ามันชัดแล้วมันไม่มีทุกเหตุมันดับไปแล้วฆ่าตัวสมุทัยจะเหตุจะทุกข์เกิดไม่มีทุกข์มันก็เกิดไม่ได้แต่ถ้าทุกข์มันเกิดอยู่ถ้ายังไม่รู้มันยังทนทุกข์อยู่อันนั้นยังไม่ถูกคนดูเอาง่ายๆอันจะมาดูอย่างไงมันจะผิดตรงไหนเนามันดูไม่ได้เลยงเมื่อไรมันทุกข์เกินไปเกิดขึ้นมานั่นแหละมันผิดแล้ว เมื่อไรมันชุบเป็นเหงื่ใจเกินแต่นั้นนะมันผิดแล้วมันจะมาจาับไว้ก็ช่างมันเถอะรวมมันเลยทีเดียวเลยนั่นมันผิดค้นหาเลยถ้าเป็นเช่นนี้ยอมให้มีสติอยู่การยืนการเดินกา ร, น, ารนั่งการนอนไปมาสารพัดอย่างนี่พยายามมีสติสำปรายัญญะอยู่เสมอถ้ายามรู้อยู่รวมจะต้องรู้ผิดถูกยอมจะต้อง รู้จักดีใจเสียใจทุกอย่างโยมจะรู้จักเมื่อโยมรู้จักโดยโยมก็รู้จักวิธีแก้ไขแก้ไขมั น, มนโดยว่าทีว่ามันไม่เห็นมีทุกข์ไม่ให้มันมีทุกข์ถ้ามันมีสุขมีทุกข์มันเมาปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันเมาธรรมะนี่ก็เมาเนะี่โยมนะเนี่ออยเขาเหี้ยเขาเจ้านี่เมาเมือนกันไม่ต้องทําเป็นเหล้าเป็นสุราหรอก ทานในธรรมะต่อไปเดี๋เมาเหมือนกันเมาข้าวมันเมาเหมือนกันธรรมะนี่ต <search AN S> ัเหมือนกันยายมันเมาอเมาธรรมะไม่อยู่เหมือนกันน่ะอืเมาธรรมะนี่พูดหลายน้วยเห็นกันมาอยากจับแขนมันมาเทศไปฟังถึงกันมันเมาเนี่ยคนเมาธรรมะเลยเอาทางนั้นเนี่ยไอ้คนนั้นกูควรจะเอามันคนนี้กูควจะโกรธว่าน่ะ เลยเทพโกรไปทั <unlucky S 2> ่วบ้านโทัเมืองเนี่เมาเมาธรรมะไม่แปกกันแต่เมาเหล้าหรอกค่อายกันเนี่ยเมาธรรมะนี่ยาเลยต้องดูไปอีกจะเป็นธรรมะอยู่แต่ว่ามันเมาในทุกนี่นี่การเรียนสมาธิอาตมาให้เรียนสมาธิแบบนี้ถึงเวลานั่งก็ให้นั่งเป็นพอสมควรในทิศเป็นกันให้รู้เรื่องว่าการสมาธิไม่ใช่แบบนั่งอย่างนี้อันเดียว ต้องปล่อยมันถ่ายทอดประสบอะไรต่างๆอะรลู่ขึ้นมาพีเจนาลู่ขึ้นมาพีนาพีอะไรให้มันรู่อะไรเลยพียนาชสนออออันนี้อันนี้จังตัวขังอานาตาไม่แน่เป็นของไม่แน่ทั้งนั้นนายโยมอืมไม่แน่อืมอันนี้มันสวยได่นแน่ฉันชอบเหลือเกินออไม่แน่อันนี้ฉันไม่ชอบมันเลยบอกหมดมันนี้มันก็ไม่แน่เหมือนกัน ทำไมถูกเยอะเลยโยมไม่มีผิดน่ะนะแต่โยมไปเอาเงินดีฉันเอายางนง้นมันแน่เยอะเกินแน่ไปใชแล้วนี่อย่างนั้นยามันจะชอบขนาดไสกระชังมันเราต้องขยับมันหมดเงินแนแน่อาหารบางสิ่งบางอย่างทานไปแล้วแหว่อร่อยเยอะเกินแม่ฉันชอบมันเยอะเกิน อย่างนี้มันมีความรู้สึกในใจอย่างนี้เราก็ทำทวงไปอันนี้ไม่แน่อยากดูจักมันม่แน่ไหมยยมชอบอาหารอะไรทุกวันแน่แล้วเป็นอ้อยมันทานทุกวันทุกวันทุกวันไหมทุกวันนะอย่าโยมจะบ่นออันนั้นมันมันไม่อร่อยซะแล้วไม่แน่ลองดูดิต่อไปฉันชอบอันนั้นอีกเอาทุกวันอีกไม่แน่อีกละมันต้องการมันต้องการถ่ายทอดโยม เหมือนลมหายใจเข้าออกมันต้องหายใจเข้าหายใจออกมันอยู่โดยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ทุกอย่างอยู่โดยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อืมอยู่กับเราไม่ใช่อื่นอืถ้าเราไม่สงสัยแล้วนั่งมันก็สบายจะยืนมันก็สบายไม่ใช่แต่สมาธิคือการนั่งหรอกบางคนก็นั่งจน ห่วงเหาเหานอนอยู่อย่างนั้นจะตายเลยนะในรู้จะไปทิศใต้ทิศเหนือแล้วนี่นอย่าเป็คำกานันทีมันม่วงพอสมควรเนี่ยเินมันเปลี่ยนวิยาณหมดมัน้ีให้มันมีปัญญาดูถามันม่วงเต็มทีมันชัดแล้วมันจะม้วนก็ให้มันนอนซะแล้วก็ดีบลุกซะทำเพียนอย่างนี้อย่าปล่อยให้มันเมา เราเป็นนักปฏิบัติจะต้องทำอย่างนั้นให้มันมีเหตุผลรู้รู้รอบปัญญารวมความรู้รอบรู้ไม่รอบไม่ได้ไม่รู้ข้างเดียไม่ได้ต้องรู้รอบอย่างนี้เป็นวงกลมอย่างรู้รอบอ ม, มันจะมาท่าไหนก็เอามาันอย่างที่เราอยู่อย่างนี้ละ่ะเราจะทำไงไหม เราจะเป็นงอยู่อย่างนี้เราก็พิจนารณาอะไรสังขารเป็นไงก็เอาอตกลงแล้วมันจะเป็นเว่าอะไรก็เอายืนเดินนั่งนอนดูสึกอยู่อย่างนั้นอืมความสังขารมันจะพากื่อะไรก็เอานี่ต้องตั้งอย่างนี้ไม่ต้องร้องไห้มัหมดเลย อย่างนี้นายยอมจะมีความสงบชุกก็ไม่เอานายยอมนะมชุกไม่เอาเดี๋ยวมันหายหรอกเอามันสงบไม่ต้องชุกไม่ต้องทุกข์คือความสงบเดินไปตรงโน้นให้มันหนักหนักขึ้นไปยางงในรูเรื่องของมัน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 โชคมันก่อนเลยยมันโชคเราก่อนแล้วต้องชกมันเองนะ่ชคมันก่อนมันชอบใจไอ้นั่นบอกว่าไม่แน่ต้องชกมันก่อนเลยอันนี้ไอ้แต่เขาชคเราทุกที่ทุกทีถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบฉันไม่ชอบเขาทุกโชคเราทุกทีถ้าชอบฉันก็ชอบเขาโชคเราทุกทีเราไม่ได้ชคเขาเลยต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อไรเราชอบอันไรก็บอกว่าเออบอกในใจเลยเอออันนี้มันไม่แน่ อะไรมันชอบในใจของเราอบอกในจอันนี้มันไม่แน่เอาในที่นี้นะต้องทำาพิยทุกมันใหม่เถอะเห็นธรรมะต้องเห็นแน่นอนต้องเป um. ็นอย่างนี้การปฏิบัติการยืนการเดินการนั่งการนอน lifting. โยมจะมีความโกรธได้ทุกอิริยา ม, มัืมเดินก็โกรธได้ อนั่งก็โตดได้นอนก็โตดได้อยากได้ทุกขณะบางทีนอนอยู่มันก็อยา ก, ย น, ก, ยากนิ่งอยู่มันก็อยากนั่งอยู่มันก็อยากเราจึงปฏิบัติผ่านมันก็นไปถึงดิยาบททั้งสีนี่ยืนเดินนั่งนอนให้สมานเสมอนไม่มีหน้ามีหลังอะไรงี้ยนะแบบที่ว่าพูดไม่มีหน้ามีหลังกันล่ะเอากันอย่างนี้อ่ะมันถึงดูรอบอยู่อย่างนั้นอื จะไปนั่งให้มันสงบย่างงี้จ้าในเรื่องมันวิ่งเข้ามาบอกอีกยังไม่โจบเรื่องเรื่องนั้นวิ่งเข้ามาอีกเรื่องนั้นวิ่งเึ้ามาอีกมันยังคันเนื้อคันตัวเละไปแล้วนี่มันวิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าเอออันนี้มันไม่แน่ชกมันก่อนเลยเรื่องอะไรก็ช่างมันวิ่งมาเอออันนี้มันไม่แน่ มันต้องชกมันนี่เรื่อยใ่มันก่อนอยู่ยเดยอย่างนี้อันนี้ลเลยว่ารู้จักจุดของมันสำคัญถ้าโยมรู้จักว่าสิ่งทั้งหลายนี่ว่ามันในแน่ใ้ความคิดของโยมที่มีในใจมันจะคอยคลี่ลายออกมันจะคอยคลี่คลายออกเพราะเราเห็นว่ามันแน่บางอย่างเนะี่ยมันก็มันใช่กับไป เราเห็นว่ามันเป็นแน่เราผ่านมาแล้วมันเห็นมาหลายๆเลยอะไรก็อย่างนั้นแหละวันรั้งก็พเบียร์นายเอออย่างงั้นแหละแบบนี้เลยอันนั้นก็อย่างนั้นแหละอันนั้นก็อย่างนั้นแหละภาวนาคําเดียวเั่านั้นอย่างงั้นแหละถ้ามันเกิดอย่างงั้นแหละเตือนเราเท่านั้นก็พอแล้วมั้งเนี่ เราจะไปหาอะไรจะไปหาค้นธรรมะอะไรตรงไหนอตก็จะต้องไปหาอ่านหนังสือไปเปิดดูธรรมะที่ไหนก็ไม่รู้มันเกิดอยู่นี่นี่จะไปหาหนอนมันจะเห็นน้วนั่นหาตัวนี้ไน่ไงวันนี้มันทุกข์ดูมันทุกข์เพราะอะไรเห็นเนี่ยนั่งอย่างน <c oughs> ี้ข้างแก้วฉันนี่มันแตก <c oughs> มันจะเกิดทุกข์มาเรียนๆๆ น, น, นี่นี่เห็นอะไรนี่นะเออคือ ม, มันเกิดทุกข์มาวันนี้เกิดเนี พาแม่ว่านพูดไปเขาหูเว้ยแน่นั่งเหตุเป็นอยู่ตรงนั้นเออมันไม่แน่ล็อกไปฆ่ามันไปซะทุกอย่างทุกอย่างจุดจุดจุดมันไปอย่างนี้เดินหน้ามันก่อนดิอันนี้ไปเดินหลังเท่านี้อืมมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่อื่นหรอกถ้าเรามีความรู้สึกเช่นนี้ล่ะเราจะเป็นคนสงบเป็นคนสงบแต่อยู่ที่ไหนสี่ไหนมันก็เสเร็จังัน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 วโยมเห็นแต่น้านิ่งกับน้าไหลน้มไหลนิ่งโยมไม่เคยเห็นนี่ตรงนั่นแหละตรงโยมยังคิดไม่ถึงละอืมว่ามันเฉยมันก็เกิดปัญญาอืเรียกว่าใจดูใจของโยมนะ่ะมันจะคล้ายๆนา้ามันไหลแต่ว่ามันนิ่งรู้มันนิ่งรู้มันก็ไหลเลยเรียกว่ามันน้ า, นาไหลนิ่งมันจะเป็นอย่างนั้นปัญญาเกิดได้ ลองลองดูที่